เรื่องทรงอนุญาตเพดานสมัยนั้นงูตกจากหลังคามุงหญ้าลงมาที่คอภิกษุรูปหนึ่งภิกษุนั้นตกใจกลัวร้องเสียงลั่นภิกษุทั้งหลายวิ่งเข้าไปถามว่าอาวุโสท่านร้องทำไม